เทศอบรมพระวันที่29มีนาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เข้มข้นดีมากเทศมัชชิมามีหลายประเภทเพื่อเหมาะสมกับการแก้กิเลสซึ่งมีหลายประเภทกิเลสครอบงำจิตเต็มที่แล้ว จะไปให้สำคัญไปว่าตายแล้วศูนย์เทศอนาปานสติยางละเอียดให้สังขารหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาความรู้เท่าทันมันติดสมาธิเพลินในปัญญาเลยขอบเขตทั้งสองอย่างเทศถึงที่สุดเผาศพอวิชากันนี้เผ็ดร้อนมากตลอดกัน อัดได้จะให้ใครก็ได้ให้พวกเราทั้งหลายโดยศึกษาเล่าเรียนถือเป็นกติกาเรื่องดิบของใจมันีจำนวนมากทั้งแอกปะคุธเธอจัดประรูุเฉพาะพระองค์เดียว นั้นก็ะทรงเน้นนำสั่งสอนสาวผู้พร้อมแล้มันอยู่คนประเทศติมที่เรียกว่าอุคติตันดูผู้พร้อมที่จะรู้ได้เห็นทังได้อย่างรวดเองนี้ปัจจิตันดูก็รองกันลงมาเกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระคุณเจา้า ต้องอวดขึ้นมากาะเทียบอุปมประมาทรถก็ดีหมยเอียงคนขับก็มือดีถน น, นก็ราบเลือกมันพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้แล้วการเดินทางก็ยอ่อมสะดวก เนะ่ยถึงนวดเองพระพุทธเจา้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนในเหียงพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกเนี่ยทุกมงมในทรงกลักล่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระธรรมทีนในตรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจ หน้าต่อความคิ้ม้วนๆภาจน้นผนจึงจากขึ้นอย่างรวดเร็วอาคมาา น, นั้นบนรรลุโสดานั่นสติตาาอ้า น, นั้นอนาคาโอ้ น, นั้นอารหันธ์ประมาอ า, หารหารันธ์ตาุนเป็นลำดับกำด า, าที่เหมือนว่าธรรมของพระโพธจากในครั้งนั้น เพืกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกๆคนไม่อยู่ลึกลับอะไรหรือยูสองฝ้าทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างทัดเจเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็หนึ่งส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนนก็หนึ่ง ส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย่อนแสดงด้วยส่วาขาตธรรมข้าททงนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยทอบกลับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเงื่อนล้วนโดยลำดับในธรรมุกปขั้น บรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจินทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุแต่ได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งถงจริงทั้งหลา ย, ยานี่แหละความร้าประสมของพระพุทธเจ้าเพื่อทรสงสัสอนศาสร์โลกให้รู้จริงเห็นจริง ปุถิยตลำดับจากปุคบีตันยูวิตติบีตันยูลงมาก็คือเนยยะูุถิควรแนะนำถังซ้อนหน้าผู้นั้นประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักขอเอาเบาก็สูดตังแล้วฟังเ ล, ล, ล่าหลายครั้งหลางถึงด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราเราท่านทาน ท, านที่ทำอยู่ต็วหว น, น ก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ั้งพุตการด้วยเหตุ น, นี้คำว่ามัคคิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยหรือเกือพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับ สนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิทานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นส่วนขาธรามจากเป็นมัตฉิมาปฏิปฏาทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทยาโลนก็ต้องใช้มัจฉิมาประเภทหลักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกสบรามบ้านทอง มีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอนหากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้ีรรมของพระพทธเจากำห น, นกัน คำว่ามัตติมาปฏิปทานแปลให้ถึงใจสําหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของตนเองที่ปฏิบัติมาเริ่อมัตติมาปฏิบัติทานคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้ริษักร า, รามที่เลวทุกประเภทดุจตลอดเวลาไม่มีที่เลวประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัตติมาปฏิปทานนี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงทำนี้จึงเป็นท่ามกลาง ที่จะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเก็ความบกร้ั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลิพทานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเองเจ้เนียกว่ามัตติมาท่ามกลางอยู่สมอพอดีอยู่สมออนะเหงาเกเรตมันถาดโผล่เราต้องใช้ความเบิกบืน มีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึง่งสำหรับที่เหลืประเภทนี้ที่เหลือประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชชิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับลำดับลำดาบจนกระทั่งถึททงที่เลืเข้าสู่คำละเอียดหรือละเอียดยิ่ง คำว่า ม, มัชิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งประดัต่างกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิทยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักท่าขันด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมา สติปัญญาอันเป็นเพื่องหนอสสำคัญกับความเพียรเป็นเพื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสต่เพศละเอียดและละเอียดจุดนั้นตลอดไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัตติมาตระเภศหนะึ่งทีนทำเป็นเครื่องแจ้หรือเพื่องปราการกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้ มอบรากลงไปหรือคิด้ายไปหมดจากกันแล้วมักชีมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจําเป็นไปเครื่องเดียวกขาเขาปลูก บ, บ้านสร้างเมื่อสําเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเก็บโดยต้งบุญแล้วเครื่องมือก็เก็บ ไว้ในที่ควรสถานที่ควรเมื่อพี่เลดได้สิ่งจูนย์ไปจากคิตใจไม่มีส่วนใดแน้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาตติมหาปัญญามหาวิริยะมีความเพียรกล้าก็หมดปัญหากันไปเอง หมดความําเป็จะนำมาใช้ก็ใท้ายในวงสมมุติธรร ม, รารมราด า, ธ, ดารม ธ, ธรรมดาสติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมุติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้แค่ที่เด็ดปัญหาอาสวะประเภทใดความถักเยนก็เหมือนกันเย็นไปเดียวกันถาดขันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันกับจิตเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่าง กาคือ ข, ขันธ์อันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันธ์เมื่อขันธ์ทำงานมากเกิด ค, ความเมื่อ ย, อยนิ่วอ่อนเพรียซึ่งความคิดความตุึงของใจกเกีดความสังขงารสัญญาที่นําไปใช้งานต่างๆมากไปขันธ์จะรู้สึกมีความอ่อนเพรียงเพื่อลงไปโดยลําดับลำหน่อมาเป็นเช่นนั้น ก็เข้าพักเพือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตเขาไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมยุหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ท่านช้ามาประจันจนกระทั่งวันมิผ่านเพราะฉะนั้นคําว่าการก็ขอบความเพียนของท่านจึงมีไปตลอดวันมิผ่านแต่ไม่ดีเป็นความเพียรประเภทที่ถอดถอนจิตเหากเป็นความเพียนเพื่อสว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันโดยความสะดวกสบายไม่กําเริบอายุไขก็เป็นไปโดยสมบูรณ์ ปูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการเแื่อและการตอดพรสิริลแล้วพอมาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันเป็นจำขังแล้วทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนายอย่างเอกเดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นถ้าหากว่ามีพันเปอร์เซ็นราก็เชื่อถึงพันเปอร์เ ไม่มีคำว่าเสร็จว่าเหลือว่าบกคร่องอะไรเลยเพื่ออย่างเป็นหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดตอกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในทุกแห่งทุก ห, ก ห, กหมกแต่พอยางยิง่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายทอดที่เด็อานศึกษ การทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินและสาวกทั้งหลายท่านดเาเนินการทางานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นใหนเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่ง น, นั้นเรียกว่าง น, านัยการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสตริระกรู้อยู่กับ งานข้องตนที่ทำทเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานซือถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจพาเกิดแก่เกิบตายหมุนไปเวียนมาที่กลับนับใ่ต่วเจ้าของก็ไม่อาจสามารถพิจาราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่ภพกี่ชาตมีน้ำซ้ำยัง หลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวระโดยสิ้นเชิงอินสิ้นเชิงหรือไปอย่างแท้จริงกลับพลิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำ ง, งานตัวก็อีกว่าตายแล้วสูง น, นี่แบบพิเลศมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราเอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประ ก, กอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสําหรับผู้ฝึกผลอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนา เพราะตามตามธรรมนาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสารพรางร่างกายหรือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่จับตัวไม่ได้เมื่อเป็นที่นี้จึงเป็นการลำบากสาหรับผู้เริ่มทึกขัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจจึงต้องอาศัย การทวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องกึ่งพิงของใจหรือเป็นที่ยุดของใจเสมอมาตั้งแต่ทาั้งพระพุทธเจ้าบนทางบัดนี้ในกรรมฐานท่านที่จะเหมาะกับตดิจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึงสีง่สิบห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอนาปานาัสตินิพุธโธะมูสังโฆเป็นต้น อารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนา พ, พึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจิตเป็นความสะดวกในการองเผ็ในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้น ก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ดึนเข้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความ รู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตนหลงนัน้ไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เฝ้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องด้วยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับท่าคนผู้ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นนี่สติก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน หากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมาย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนะักให้แต่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกําลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปเลยกลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลมเพื่อให้เป็น ที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่นั่นมากและถ่าหนักก็จะกำหนดในจุดนั้นมากเราคึงกาหนดจุดนั้นยกตัวอย่างเช่นดั้งสมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่ลวดหลักและ ไม่ต้องไปกําหนดกฎเกินไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแนว้จิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกยะขาดว่าขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในยขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกาหนด ในเบื้องตน้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสําคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทําจนทั่งเกินตัวไปหดให้ทําความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้รู้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้น ในบังต้นรู้สึกอยากท่า น, นานเท่านานเข้าความรู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมมีคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคื อ, อและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ ว่าเมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายแล้วหละลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจส่ตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั่งให้กลับตัวมาสู่จิตหยาบเสือเลยได้แค่เพียงแค่นี้และอยากยิ่งไปกว่า น, นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาก่อนนี้ จึงพึงทําความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็ตายเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี้ละเอีอดลงไปโดยลดำดับๆจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกก็พึงทําความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถิดเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังคลองล่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็ไม่เคยได้กังวลกับลมที่หายใจเขาออ้า เราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังมียิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดตัณหาหขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งควรใจต่อไปและไม่เป็นมานของใจในติดนี้ด้วยจิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรอก็หายไปหมด ลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดซึ่งจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดแล้วคุณเมื่อถึงขันนั้นแล้วจะเหลือแต่ความรู้และสักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสําคัญมั่นหมายไปไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทําลายจิตตภาวนาขั้นนี้ให้อยาบกลับคืนมา จิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อผู้กาหนดบริกรรมทมบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกั น, นตามตรีนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทญาดจิตเมื่อไ น, น่มีที่ยึดมีมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีจร พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานของตนที่กำลังทำอยู่โดยลําดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการที่เราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร เราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการของนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้้วยวิธีอื่นใดโดยคำค้ากันในดิบๆคำทัํงคัญมั่นหมายอะไรนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อดวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็ยนตัวเข้าหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้ว ความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของจงคือความสงบนั้นอ่ะมั่นคงขึ้นโดยลำดับลาดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่าสมามีสมาธิแล้วที่นี่นะั่หรือเรยกกได้สมาธิก่อนตาตกดเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หายไปหายไป หลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงของต้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแง้จะคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตว่าเป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตูวโดยเฉพาะโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสางตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้ว เ, เกิดขึ้นจากทุกข์ เมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความจุดความคิดพุ่งสางบุ่นวายกับโลกกับจงสารอันเป็นนิสัยสั้นดานของจิตที่มีกิเลสเข้าครอวนำหรือกิเลสผลักใสให้ออกไปจิตนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปลงไปทีน้กลายเป็นความสบายเมื่อจิต เป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ปลงที่วางมีที่พักผ่อนดวงใจเหมือนกับเดินไปตามวนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดบบดจัดๆเะมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายบายเมื่อกิจทาการทำงานวุ่นไปกับการกับงาน ซึ่งเป็นทางถอบถอนี่เดกและทงจิตให้สุกนานไปอิกก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายมีเยืเยอกอดจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำรามสมา ธ, มาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้อัญญาวิโมทูลพน เป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของนิมิตเป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงนิมิตหลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่ธรรมะพิเรนสันหาอาชาที่ทนันจดจารึกไว้ในตำลักตำลามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธี บ, บอกแนะนำ ในการแก้และการตัดถอนกิเลสไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทางานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมือ่อกีู้่นี้เป็นต้นนั่นแหละ <c oughs> เรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบตัติต่อตัวเองจนตากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิ เป็นสมาธิชั่วคาเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานอย่างสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งๆที่ออกจากที่ทอนนานเลยก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนานมันคงสังใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุด การที่จะทำให้จิตสงบดยุกเจียา์แห่งความคิดตุด่มในใจแต่ใช้เจียห์แห่งความคิดตุ่มเพราะปัญญาก็เกิด ข, ขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกคายมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดําเป็นสายทางนําเลยของสติของปัญญาเพิจณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะ ร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็าตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนะเราเลิกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแต่สลายทำลายหรือตายทั้งสิ้น มีส่วนไหนที่ไหนที่พอไว้วางใจได้พอให้เย็นอกเย็นใจไม่หมอมีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอาุภะอาุพังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครก็เต็มไปด้วยความโ ส, โ, สโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกาของมนุรรษย์กระับเอาพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างใ น, นก็ได้ เมื่อพิจารณาเพื่อการตอบคอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมากช่วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยเรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยปัญญาที่กิเลสเอาไปช้าก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทําเอามาช้าก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาก็เป็นปัญญาแลก็เป็น เพื่อเป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราค่าบระหมายในสกลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมทันกระหม่อมกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลาักษณะความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของขสกูลด้วยกันทั้งหมด ในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมติยนไม่มีเลยเ <c oughs> สีขันกันไปอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่มันตึงความจอมปลอบแต่กิเลสพาให้จอมปลอก็อต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจิิงเมื่อสิ่งนั้น ไม่เป็นไปตามความต้องการของตนยิ่เงเกิดความผูกความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่งแตกสะลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรก็ถึงการให้มันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราปักปันเกิดเอ็มเอาต่างหากนี่แหละความสาคัญการพิจรารณาทางด้านปัญญาให้พิจารมาอย่างนี้เราจะแยกออก ส่วนใดก็ตามขอให้ทานนะัะในขันทั้งห้านี้เฉพาะยังยิ้มรูปประขันเป็นน้ำขันพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่อง อ, อสุภะถึงความเป็นความตาความแตกสล า, ลายนิรันดรดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ไปเยี่ยมต่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นตาช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกเสียก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็น เวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเกลือนอย่างนี้นั้นแหละในตากชานไม่มีการเผาการฝังกันเนั่นคือสอนไปดูฆ่ากระสอบฆ่ากระสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบาวิธีสอนอุบายสอนวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้งองกับฆากอะสอบให้ไปทางเหนือลงอย่าไปทางใต้เลยถ้าวิจิต ย, ยังไม่สามารถอยาดวนไปดูรูปที่เป็นประปักต่อตนซึ่งตาย เพิ่งตายาใหมให่ไปดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วมันเป็นข่าศึกต่อตอน้นเกนกระทั่มงมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตัวเองเป็นรูปหญิงเป็นต้นสําหรับผู้ตายเป็นข่าศึกกันในตอนนี้เรื่องที่เด็ดกับาำเป็นข่าฝึกกันตอนนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูแล้วก็แยกแยกออกโดยกําหนดออกดูให้เห็นธาตุปิ่ เมื่อกําลังะติปัญญายัางพอสมควรที่จะพิจารณาธาตุอสบปชนิดใด่ชนิดใดย่อมพิจารณาได้หไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความเสื่อความงามตกค้างอยู่มันเลยพอที่ไจ้ติดจิตติดใจแต่ังฝายที่เหล็กขั้นถึงสองน่าจะพีจาาไปเยี่ยมปัตถาเมื่อเห็น สิ่งนั้นาาก็จักับจิตใจแล้วนสิ่งนั้นน้อมเข้ามาส ja ู everyday, One, ่ต so ัวเองอ่ะจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าท้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปหมดปัญหาไปเพราะยึดป่ายช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยเอาใส่ป่ายช้าภายนอกเป็นแนวถากหรือเป็นเชื้อพอได้วานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนี่ เพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในทุรงมควันนี้จึงเป็นธรรมสาคัญมากไม่ใช่ทําเล็กๆ็เล็น้อยเป็นทางสามารถที่จะรื้อวัตถุตรงสานลกจากดิ์ศได้จริงจิ ง, งพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นน่ะพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สําคัญสําคัญคือความเข้าใจเราอย่าไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอา เพื่อนับเพื่อเอาจํานวนเท่านั้นเท่านี้แต่รัพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกตาช้าภายนอกก็เห็นชัดตาช้าภายในของตอนก็เห็นชัดแล้วความดิ้มั่นถึงมั่นว่าเราว่าเขาว่าสวยว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหน พอ ถ, ถูกทําลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เศษสันทั้นรอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแตกต่างนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดจอมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจํำปามทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุมีธาตุดินน้ําลมไปเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายมันมีอะไรไม่ว่าผมขนและปันน้ำเงินกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาต น้ำก็เป็นธาตุน้ำตะเขยเียลมก็เป็นธาตุลมส่วนแข็งก็เป็นธานตุแข็เขียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟตะเขียพิจารณาหลายครั้งหลายผลักซึ่งเขาเป็น ซ, ซึ่งเขาเป็นเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปประขันปล่อยวางเป็นอลำดับแรกเมื่อเข้าใจรูปประขันชัดเจนอันเป็นส่วนยางนะี้ชัดเจนแล้วย่ยอมปล่อยวางอุปาทานความยื้มั่นถี่มั่นในขัน ดังนั้นจิตก็ซึมชาเข้าไปถึงเวทนาสัญญาทั้งสญญามมิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามไม่สี่อาการหรือในสี่ผลแล้วแต่จิตมีความสัมปัตสัมพันธ์ที่จะชอบที่จะนานในอาการใดแล้วจะซึมชาไปถึงอาการทั้งหลายโดยลําพังตัวเองเหมือนเราจ่อไปเข้าไปสู่เชื้อไปแล้วเข้าสูกปืนลึกถูกขยะคอยลึกอะไรก็แล้วแต่นะ กองพยะนี่พอจอไฟมัน ม, ม, มีสิ่งที่จะทําให้ไหมอยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเป็นนิสเชื่ออยู่ที่ไหนมันก็ไหมไปเรื่อยเรื่อยอันนี้ขึ้นชื่อว่าทัติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเเทนั้นเหมือนกันพิจารณาจับติดไดจิตหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยาาปัญญาตึงกับจักตึงรอบหมดทั้งขันห่ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้ว เมานาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความตุ่ซึ่งรอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับร่าเวลาสิ่งภายนอกเกิอจะกนาภายนอกมากระทบไปแล้วนภายในเปตาเข็มลูปเขียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัส มากระทบตาหงษ์จมุกลิ้นกาถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาแยบแยบแยแยบตามอาการหนึ่งของสิ่ง น, นั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปดับไปนี่ท่านเรียกวิ้มหยาเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเปนาการห้องปิดเหมือนแสงห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยกแล้วกระดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมชังขานเหมือนกันตุงขึ้นมาพักประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่อง หัวใจเจ้าของปรุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปรุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันรออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิษสูจน์นี่หลักสําคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเหตุไรตีเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่ กระจายเรื่องออกมาได้ด้วยตวงเรื่องนั้นตุงเรื่องนี้สัญญาคอยจักคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สันสัญญานี้ละเอียดกว่าสังถามมากทีเดียวในหลักปฏิบัติรู้สึกว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงจริแต่ยังไงก็ไม่นทนทัติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงไกลได้ต้องรู้ต้องเข้าใจมีการที่เจอนี่แหละคือการขุดค้นที่เลย กิเลสเข้าไปแทรกติดตามอาการของมันแทรกติดในรูปกายนี้ก็ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรอมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนัง้นมันยึดมั่งนี่อุปาทานขึ้นเกิดขึ้นจากกิเลสหรือว่าเป็นที่เลดประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็จริงในสิ่งนี้สิ่งต้องยึดเมื่อได้ขี้คลคาดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้ว ก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารยินยาบก็มีทักษะเดียวกันนั้นการที่เจนาดังที่กล่าวแล้วยาถือการนับเป็นความเียดเป็นผลที่ผึงได้ล่ ให้ถือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสําคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปลอดถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปลอดนั่นแหละต้องต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่พอเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทํางานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทนี้เราก็เข้าทักสมาธิตอ้อยวางอาการแห่งจิตคิดคิดุงในแง่ต่างๆ เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้เเนเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่รรทำภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิก็าตามหรือจนชานาญในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาก็าตามเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจุดเดียวหรือกำลังลมหายใจดังที่เราเคยพิจานณาเนี่ย อีู่ในจุดเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปมีจิตพักนี่พักอาการแห่งความคิดความปรุงความพินิจพิจารณาในีนนนง่ต่างๆซึ่งเป็นางานของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งมีสบายพอควรแจการแล้วจิตก็ถอยออกมาถอนอรกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบ เราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นําเข้ามายุ่งไม่นําเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทํางานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทํางานคนเราด้วย่มมื อ, อลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทําจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทําให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อกวนแก่การแล้วจิตคอยออกมาแล้วทํางาน เมื่อกิตได้กระได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้นพิจารณาตลอดจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยำกำลังเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษเห็นความผาปนของเรา ในขนาดจิตเป็นสมาธิเตะใจสมาธจามาิจนกลายเป็นสมาธิที่เกี่ยงขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกเื่อจิตเป็นสมาธิ จ, จ, จนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะคํามสำรัญนี่เราเคยเป็นแล้วอยู่ธรรมดาเนี่ย พอกาหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะํารมะที่นีเมื่อเป็ น, น, นเช่นนั้นเวลาจิตถลากมาพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟากจับฟั น, จ, ฟนจับขุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดด ก, ก็ร้อนอุ้ยไม่ไหวเขาพักก็ดีกว่าเขาไปนอนอยู่เียไมาไดงานอะไร เขาดีในสมาธินั้นเสียในอุปมาเป็นอย่างนั้นการพิดนินาถึงนั้นในนี้เหมือนเราออกไปทํางานขึ้นยกจอบยกเฉลี่ยขึ้นกุดนั่นปันนี้อย่างนั้นแหละม่ <c oughs> นที่เกียรติแล้วเข้ามาพักในรม่มเงเสียแดด ก, ก็ไม่ถูกจบจอบอะไรก็ม่ต้องทําไม่ต้องหนักมือนี่อะไรและแต่มไม่ในงานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิถ่ายเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญานละเนว่า การพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลําบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิโดนมุ่กตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึ่นได้นําเรื่องเหล่านี้มาอธ <c oughs> ิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอคือวิธีการเช่นใดก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาเรื่องนี้การพักจิตแตงสมาธิอย่างเดียว ให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าเป็นแต่เป็นบ้าท่านว่าสมาธิปะสิ่อะไีสิระปฏิภาวิตโตสมาธิมหาโลโโฮสีมาให้ตั้งโซ่สีลเป็นเครื่องอบมสมาธิเมื่อศีนอบรมแล้วก็มีผลมากเงินสูงมากนั่นคืคือหมายว่าสีนเป็นพื้นอยู่แล้วสําหนักขวดเราไม่ได้มีความเดือดร้อนบุญวาอะไรที่ว่าสีลต้นด่างซ้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวร กากลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความแบบร้อนให้แ่ลนว่าสีไม่บริสุทธิ์นี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหรติมหานิทังสะปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วยะมีผลมากมีปะยสน ม, มากมันก็คือหมายความว่า จิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดําเนินทางด้านสัญญาได้อยา่างสะดวกสมายไม่มีความปกคล้องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สําเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรแล้วได้ทําหมดแล้วนี่สมาธิพร้อมแล้วมีกําลังพร้อมเนี่ ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ตายไม่แช่ไม่หิวไม่หุ้ดกับอารมณ์ใดเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เด็ดขาดหมดแล้วโดยสิ้นสุงเป็นแตเพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวหวงุดทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวหงุดกับอารมณ์ต่างๆเช่น จ, จิตพุ้งซ่านนำคันดัง ท, ทั่วไปที่ไม่มีสมาธิ เรานำออกพิเจอนานอะไรจิตต้องย่อมทําหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะจิตไม่ทะเลทลายไม่แพร่ออกไปนอกลู่นอกทางทํางานตามที่ปัญญาพิจารณอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้น ขึ้นมาโดยลํำดับลำดับแล้วก็ข้ า, าพากย์อย่างที่ว่านี่หลักคําว่า ส, สมาธิอบรม ป, ปัญญาออบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นตรมาเทศเรายืนยันไม่เลยมนทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึงห้าปีคอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาไม่เกิมีทุกพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ ความรู้อันเด่นๆ่นนี้แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นเด่นนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเยหมือนพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงในรู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นถึง น, นั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผละ เมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความหลุดดื่มในการพิจนารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดไปซะจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเทินในสมาธิเทินเสียจนขี้เกียจพิจนารณาทางด้านปัญญเห็นว่าการพิจนารณาปนะัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้เห็นเด่นๆ่น น, นี่นี่แหละจะเป็นมีผ่านนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละนี่แหละดีอย่างนั้นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุง กลุ่แกงทั้งหลายนี้แหละนี้แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักยาก็เป็นยญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอยู่างนั้นเนาะเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ตอนหน้านั่นแหละมันําไม่เป็นแกงถ้าเําแม่ครัวไม่นํามาปรุงหรือเราไม่นํามาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเนอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้นี่สมาธิมันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะขี้คากิเลสตัวใดออกมาเพื่อทําลายมัน ด้วยปัญญาเราไม่สนกันี่ เ, นเรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อที่มีความสงบจะเป็นสงบขั้นไหนก็ตามมันควรแจะปัญญาขั้นนั้ น, น, นทุกขั้นของสมาธิไปเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวเพลิน ถ้าไม่มีใครสั่งสอนว่าไม่มีใครแนะแนวทางมาแล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วตระเลิดเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนดูเฉยเฉยไม่เห็นเกิ ด, ดประโยชน์ตายการพิจนารณามีรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับลำบนั่นแ่ะเป็นความถิกอีกอมเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสม ในขณะที่พิจารณาทางด้านปนาัญญาเอาให้พิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทํางานเอาทาลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนียวแต่เวลาหยุดเมื่อไาแล้ ว, ลวให้เข้ามาพักก่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเกลืองไปหมดไปเสียเ ว, เวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะละ เราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านสัญญาต่อ่นได้ เ, เวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญานนเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบขอบเพื่อความราบรื่นไม่ผาโพนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งจึงต้องมีวาระต่างกัน น, นในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ ทำเป็นที่แน่ใจได้เงินมาหลังรือเคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันเจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญงานเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลนานเท่านานเข้านัางกายมันก็อ่อนเกลียวจนจะตายแลย้วทีนเหนื่อย จริงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงมไม่ไปไห่ไหลมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบาย ส, ายสมอพอพักสมายแล้วก็เห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ที่นี้ก้าวเลยพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วก็เข้ามาพักพอพักหนักมันเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึวมันทะลุไปเลยอะพ้นไปไม่ได้ถ้าดําเนินแบบที่ว่านี้ ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญยิ่งงานของพระคือยังไงงานที่พระบุรีเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ทำทัง้งหลายทำแล้วตั้งแต่ขนาดบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจ้าลงมานักฆ่าธันทาตาจัจโนี้คือปริัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภระปฏิบัตาปจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเจสาลงมา ดันตะนะคารมาเจษขาเน่อารมณ์ไปรมพิจารณาเหมือนเขาคาดมาคาไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลไถนแหลกละเอียดโดยไม่ต้องเป็นับเที่ยวมันเอาให้มันแหลละเอียดนี่เจษขาลงมาล่าะคะะ่ะตาจโจรจโจรดันตะนาคามาเจษาพ้ันมันไปพ้ันกันมายอกย้อนไปนี่แหะคือการทํางานนี่เร่องานของพะงานนี้เป็นงานสาคัญงานลรือพิเรศ น, นาสะวะวัตตาสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมาก สถานที่ทํางานคือที่เช่นไรลุกขมูลมเซนนาสนาเนและปปะจาตาเจยาวบังส ร, ร, ร้างโอกระงอยบวชในวิสักขสนามแล้วทุกขั้งหลายนี้ยยายามไปอยู่ตามลุกขมูลรมไมชายปาชายเข า, าตามถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทําความมตัดตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวโบกทั้งหลายท่านทํางานอันนี้ท่านไปเป็นผู้วิเศษวิโสพ้นจาก ความ เ, เกิดเจิดตายท่านทำหนังนี้เราก็ดําเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไมา่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้เอะกิเลสครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไร ม, มันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันขึ้นชัว่วกิเลสประเภทไหนๆก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัจจิมาปฏิบัติขั้งนั้นกับขั้งนี้ก็เป็นมัจจิมาทำอันเดียวเรียกว่า ออกมาจากสวรรคารารรมทุกพฤติกรรมแบบไว้ชอบแล้วเหมือนทันหมดให้นําเข้ามาประกอบให้ถูกสัพท์ถูกส่วนเถอะขี้เดชถ้าขาดกระเดินลงไปโดยลําดับําดับมีทางจงกรมก็ขี้เดชตายฆ่าฟันมันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่าขี้เดชด้วยสติปัญญาัตถาความเพียนยืนอยู่ก็ฆ่าขี้เดชเดินอยู่ก็ฆ่าขี้เดชฆ่าด้วยความเพียนนี่นี่เราเรียกว่างานที่นี่งานฆ่าขี้เดชฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลําดับดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอา รู้แจ้งเห็นจริงในรูปประขัมมนก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวอุบัติดขันออกไปแลแ้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสัญชาญวิญญาณแต่และอย่างอันอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุบทานในขันนี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเดสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้จะเดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็เลยถูกตัดขาดและด้วยปัญญาความยึนมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งนี้เวทนา ตั้งาตั้งขาเห็นยาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของที่เดชก็เดชพิจานาตะล่ําเข้าไปตล่ำเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันตั้งห้ารู้เท่าทานหมดแล้วก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เดชรวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกดอกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปตัเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวที่เดชก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจนาทางด้านปัญญามันเห็นได้ชัดอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปที่นั่นแล้ ปติปัญญาประเทภทฟาดปั้นหั่นแหลกก็คือมหาสีมหาปัญญานั่นเองเนียก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาสิจะจะชิพายแ้วก็ให้ทิพายมันมีความสง่าผ่าเผอมีความฝ่อ่งใสอยู่ในจุดนั้น น, นั่นแหละคือตัววิชาแท้ฮะนางบางเงาเรามองดูววิชาคาดวิชาคาดเหมือนเสือโคร่ง เสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจอวิชาจริงๆถูกวิชากรองสลับสนิทแม่สติทปัญญาเป็นอัตนมัติหรือมารสีมาปัญญาก็กเคลิมหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นล้วก็เห็นเ้าจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความปวดความหลงหยาบๆให้เรายังหลงมันไปโดยลาดับความโลภก็ เห็นได้ช <wounds> mhm. ัดๆน้ำนมของความอยากความโกรธก็เห็นได้ชัดความมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์หนุ่มผือเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของยากสุดมีความหลงจิตน้ําหนักนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้แั้วทาไมอวิชานั้น ซึ่งเป็นกรรมัตถ์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่าขี้เล็กประเภทต่างที่กล่าวมาคือความโลภความกดธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่กว่าอาวิยธารมนะเราก็ยังหลงทํำไมจิตแบบนี้ยังหลงแล้วเมื่อถือเข้าถึงขั้นอริชธาแล้วทําไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอริยธรรมละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัตจกักรเพราะฉะนั้นจิงต้องอาศัยเจตปัญญาปนุมาติหนุนเกียวเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอามันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะพิพาท ใ, ให้รู้ อะไรที่มันมีความท่านาผักเผยความผ่องความใสให้รักให้ถึงนอยู่นี่ถ้ามันใช่อวิชาเป็นเครื่องหลอกถ้าเรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆจะมันไม่ปล่อยมีอวิชชาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้กระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือ่ดับสนิทเมื่ออนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติตังกรรมจะดียังกระตังกรรเจะดียัง งานที่เราได้ได้รับมอบจากอุปชาตั้งแต่วันบวดนั้นได้ทำทัเงห็ดเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เแล้วงานที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราเขากี่ยวเดียดไม่ได้มีอะไรขดัดขืนแล้วที่หนึ่งแต่เหยวเขาศพกีรยรวียดในเวลาสุดท้ายก็คือเขาตัวอวิชชาซึ่งมีพานาจิตด้วยมหาเศรษฐมหาปัญญาแหลก็ล้วอย่างเต็หมดนั่นแหละคือ หมดภาระเครื่องหมดเป็นอิสระอิสระอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมัยอาการนีกจิตอาการนี้กับธรรมได้แต่จิตที่รวงโดยจุิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทหนี้ใครจะสมมุติว่าใครไม่สนใจหน่วรู้นี้เต็มใจหัวก็สมมุติตัง้งแต่ยานนั้นเองจะนนิพา น, นพานว่นาใครผู้ที่รู้นิพานจริงท่านไม่สนใจกับคําว่านิพาน เหมือนย่งป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นตัางหาเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอาหารคนที่อยู่ในวัดท่าเรนที่อยู่ในวัดจะไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านป้ายนี้พอะรู้แล้วไม่จําเป็นนี่ก็เหมือนกันพอ ร, รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแยง้งต่ำดึและแย้งสินแบททั้งนั้น เอาแค่นี้แหลท่านปัญญาอธิบายเหมือนเพ่อนสาอหน้ามันท่านปัญญาพอใ